แม้จะเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าตามลมหายใจนะแต่ว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านหาเรื่องคิดอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติได้ไม่เต็มปากเต็มคาเรียกว่าเป็นการทำฟรีๆมากกว่านะอย่างที่หลวงพ่อคาเขียนท่านเรียก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 หรือว่าไปตบบกฎคมมันก็ไม่ใช่เพียงแค่รู้เฉยๆในะหม่ๆก็จะรู้ได้ช้าก็ไม่เป็นไรไนอะการรู้เนี่ยนะมันก็มีอนุภาพพอแรงอยู่แล้วเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูนนะลนนะตุลโว่า ทำย ง, งไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดูลก็ตอบว่าความโกรธตัดให้ขาดไม่ได้หรอกเพียงแค่รู้มันเท่านั้นแหละมันก็จะดับไปนะทำเล่นๆ เ, เนี่ยมันมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะทำได้นานแต่บางคนก็ไปเข้าใจว่าทำเล่นๆคือว่าทำบ้างหยุดบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่ หลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ำในย้ำว่าเนี่ยทาเล่นๆแต่ทำจริงๆไอ้ทจริงๆเนี่ยหมายความว่านะทำไม่หยุดนะตื่นขึ้นมารู้ตัวก็ทำเลยนะเคยถามท่านว่าี่ยจะปฏิบัตินี่ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าปฏิบัติเหมือนกับเวลาราชการ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 บางทีหลวงพ่อเทีย น, นก็บอกอย่าพยายามเพราะความพยายามเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยกดข่มหรือว่าหาทางไปบังคับควบคุมความคิดไปบังคับควบคุมจิตสุดท้ายก็เครียดและคนที่ทาอย่างนี้เนี่ยก็จะมีอาการหลายอย่างบางคนก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกบางคนก็จะรู้สึกว่าปวดหัว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 พราะแกไปเพ่งไปเพ่งแลเพ่งจิตเพ่งเข้าไหนพ่อทาด้วยความอยากมันก็เพ่งไปเพ่งจิตพอเพ่งเข้าไหนมากๆนี่ปรกว่านะมันติดนะหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่ อ, อขอมียนทําคือพยายามแงจิตออกมาพยายามแงจิตออกมาเพื่อคือคือดึงจิตออกมาเพื่อรับรู้โลกภายนอก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 ปรับให้จิตมันเป็นปกติเนี่ยพอดีพอดีนี่ยังง่ายกว่าคนที่จิตมันเพ่งเข้าไหนแล้วจะปรับให้มันเป็นปกติยากกว่าเพราะว่ามันจิตมันทําเป็นนิสัยแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นมันกลายเป็นแบบแผนของมันตัมานี่ก็เป็นนะพอเราทํามากๆเร า, าเพ่งเข้าไหนนี่มากๆเนี่ยเครียดมากเพียงแค่ยกมือก็เครียดแล้ว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 แล้วก็ปัญญาก็ดีชานก็ดีเนี่ยเปรียบเหมือนเพลาแล่ท่านก็พูดเปรียบพูดถึงความไม่อยากนะว่าเป็นเสมือนประทุนประทุ น, ทนลดนะไอ้ความไม่อยากนี้น่าสนใจนะความไม่อยากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างอริยมรรคยาน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 เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะก็คือวางความอยากของเสียนะให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะถ้าทำก็ทำด้วยฉันทาดีกว่าฉันทาคือความพอใจที่ได้ทำไม่ใช่ทำด้วยตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีสองอย่างคืออยากทำก็อยากได้นักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยนะอยากได้อยากได้คุณวิเศษอยากได้รูปนามอยากได้ความหลุดพ้น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 แต่ว่าพอวันต่อมามันก็ทาอย่างนั้นอีกคราวนี้เจ้าของไม่วาเจ้าของตีมันพอตีมันเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับได้ใจมันก็ทำอีกนะยิ่งตีมันหืมถึงขั้นเอาไม้ฟาดมันเนี่ยนะมันกลับทำหนักขึ้นนะจนกระทั่งเจ้าของเนี่ยหมดปัญญาอันนี้ผูร้รู้ทางด้าน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 เป็นเพราะว่ามันทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันก็จะค่อยๆเลิกทําไปเองให้ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันรบกวนจิตใจหลอมบางทีก็ไม่ไม่ต่างจากหมายประเภทนี้นะก็คือว่ายิ่งเราไปกดคมมันยิ่งเราไปทําอะไรกับมันนะมันก็ยิ่งได้ใจนะก็ยิ่งโผล่ยิ่งพุดและพอเราทํากดคมมันมากขึ้นมันก็มาใหญ่เลย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 ทันก็พยายามไปควบคุมความคิดทำไปทำมามาเห็นอีกทีก็เห็น้ารุมนี้เนี่ยเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นขึ้นมาพูดมาทำไมไมันคิดมากเหลือเกินว่าทำไมไมันคิดมากเหลือเกินว่านี่เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ซื่ อ, อพยายามที่จะไปควบคุมบังคับจิตซึ่งมันก็กลับยิ่งต่อสู้หนักขึ้นแล้วยังไงเราก็แพ้มัน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 าวาวุ่นจะไม่ชอบและถ้าไม่ชอบจะทำยังไงต่อก็ต้องจัดการกับมันอันนั้นแหละคือปัญหาพอไปจัดการก็คือจัดการด้วยการพยายามกดขมผักสายมันซึ่งก็เท่ากับเป็นการให้อานาจกับมันเวลาเราไม่ชอบอะไรนะไม่ชอบสิ่งใดก็ตามเนี่ยเรากำลังให้อานาจกับสิ่งนั้นเมื่อวัยรุ่นนะเห็นสิวแล้วไม่ชอบนะ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 ใจขอเริ่มเป็นกลางกับความกลัวก็คือว่าจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรนะไอ้ความรู้สึกแบบนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะคือว่าเวลามีความเบื่อจะอยู่ก็อยู่ไปนะฉันไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปกำหนดรู้ด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแกนะฉันจะต้องจัดการแกถ้ามีความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันแสงอยู่ใน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 เราไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สิ่งต่างๆ ต, ตามที่เป็นจริงโดยที่ไม่ผักสไม่ไขวยคว้าเห็นมันอย่างที่เป็นนะแล้วก็อันนี้แหละการวางจิตแบบ น, นี้แหละที่จะทำให้เราสามารถยกจิตขึ้นไปวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นความจริงไม่ใช่บังคับจิตให้เป็นอย่างที่เราต้องการ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 หายก็ไปในความสงบนั้นอันนี้ไม่ดีอันนี้หมอในมุมของการเจริญปัสสนานะอาจจะดีในแง่ของสมถ ก, กรรมฐานคือใจสงบแต่ว่าในการเจริญปัสสากรรมฐานแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นถ้าเห็นมันเพราะว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลมันรว้แล้วแต่สอนไตรักษณ์หรือว่าแสดงไตรักษ์ให้แก่เราพิปัสนาเราเจริญปัสสาก็เพื่อเห็นไตรักษ์เพื่อเห็นความจริงนะ และความจริงนั้นก็สามารถจะปรากฏหรือว่าแสดงให้กับเราไม่ว่าจะมาจากความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะมาจากสุขเวทนาทุกเวทนาไม่ว่าจะมาจากความสงบหรือว่าความว่าวุ่นก็ตามลองฝึกใจให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะหรือว่าฝึกใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้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 เขาก็จะกลายมาเป็นนี้กับเราแล้วก็รู้จักเกรงใจถึงเวลาเขาก็าไปอันนี้ลองวางใจให้ถูกนะว่าทําไมเราทำอย่างไรเราจะวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราหรือเกิดขึ้นกับกายของเราได้ทุกขเวทนาที่เกิดความที่เกิด ก, กับกายเราก็เช่นเดียกันเช่นความปวดความเมื่อย ลองสังเกตว่าเรามีใจที่ผักสายมันไหมถ้าเราผักสายมันเมื่อไหร่นะเราจะไม่ใช่แค่เมื่อยกายแต่เราจะปวดใจด้วยคนที่เขายอมรับทุกขเวทนาได้ยอมรับความปวดได้เนี่ยก็จะมีแต่กายที่ปวดนะแต่ว่าใจนี่จะปวดน้อยมากจยิ่งแพร่ผักสายมันเท่าไหร่เนี่ยนะก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูใจเราผักสายไหม ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะผักสายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีไม่ใช่ทางเคลิมคล้อยไหลหลงก็ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ความเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่รู้สู้ๆ อ, อันสองหลังเนี่ยสำคัญมากนในการปฏิบัติคือทําเล่นๆแล้วก็รู้สู้ๆลองไปพิจารณาตัว ก, การปฏิบัติของเราว่าเราได้นะได้ใช้หรือว่าได้ทํา าตามาแนวทางหรือหลักที่ภูบาอาจารย์หรือพ่อหลวงพ่อเทียนท่านได้สอนหรือเปล่าคำนี้ก็เพื่อเทานี้นะครับ